ออทุกคนตั้งใจพิจรแล้วนะ ร, รวบรวมกำลังใจฝังตัดตัดชั้นห้าทั้งหมดตัดความห่วงใยในร่างกายตนเองทั้งหมดตนเองก็ดีญาติพี่ น, อน้องก็ดีคนที่สืบเลื่อนก็ดีทรัพย์สมบั <c oughs> ติก็ดีตัดแทนปดไม่หวังการเกิดต่อไป และทุกคนตั้งใจรัฒนาบารมีพระองค์สมเจ็จพระสมาทุธเจ้าทุกพระองค์พระโอเจคุธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดกรมเธญวดาทั้งหมดตลอดจนท่านผู้มีคุณทั้งหมดขอให้ไหว้ช่วยให้มันดาภ่าพระเจ้าทั้งหลายมีกำลังใจแก่มใส เห็นภาพต่างๆไม่ชัดเจนตามความจริงจริงสุนทรการ เ, เวลานี้ขอตั้งสามคนและทั้งหมดนะก็ว่าจะการรบกับสามคนการรบกับสามคนท้งนพระก็ดีในก็ดีวาสุติการทั้งหมดคนดีที่ทำไปแล้วนอมจิตามไปด้วยขอทุกคนเวลานี้ตั้งใจเพื่อนขึ้นไปสู่บรรทุกกระบนขขศิลาอาจอตนเชิญ เหนนิย่าชัดเจนอยใช่ไหมใช่ใช่เออชัดเลยเออวันนี้วันนี้รู้ฝึกเปวันที่สี่นะวัานี้นี่ฝึกเป็นวันที่สี่ฝึกวันต้นปูสอนก็ได้วันที่สองปูแนะนําแนะนำลาเที่ยวเมื่อวานนี้เป็นวันที่สามฝึกฝึกเวนิวาสามปีหยานวันนี้ฝึกยันแปดอาโยมปรุงท่านปู่ทรงเครื่องสีอะไร มันก็เตรียมบรรจาสงสารมันได้วุณทองลนะให้เตรียมเลยพระบนรพชนนะเป็นนั้นว่าท่านมีเครื่องประดับประจําจริงๆของท่านมันเจ็ดสีนะไม่วนะ่าใครเห็นสีอะไรก็ได้ทั้งหมดใ้ติดนะเอาละเอางี้ดีกว่าทุกคนเห็นสภาพมันดุกระพณแจม่จมใสไหมแจม่จมสแจ่มสนะขอแจ่มใส ตอนนี้ไปในมัธย์กไหว่ไหว้วท่านแม่ทศูนยายาและก็บรรดาท่านผู้มีพระคุณทั้งหมดท้ารักเชิญท่านมาท่านมาพร้อมมีอย่างมาแล้วพร้อมแล้วแจ่มใสไ ม, ยม่ย่นตรงแจ่มใสดีไหมแจ่มใสดีนะไหว้ท่านข อ, ขอบคุณท่านนะขอเรามีคอทุกท่านช่วยตั้งแต่บัดนี้ไปึงกว่าจะท่านทุกาน ไอ้ให้ยาให้กำลังใจถ้ามันดาข้าพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ต้องเสียเวลาจับมิจฉาทิฏฐิทำมาเป็นเจ้าให้กำลังใจอย่าทำสิ่งใดก็ดีให้เป็นมิจฉาสัมมาทิฏฐิเดินทางตรงสุขุพิภานโดยจะพบทางอ่เบกต์ตอนนี้ไปขอทุกคนเบญกายไปข้ า, ขาพตุลามุนีเจดีดดสกา องค์สมเด็จพระพิตตมารคือพระเจ้าในนั้นชัดเจนแจ่มใสไหมแสงสว่างมากนะวันนี้สว่างมากอันนี้สว่างมากดีนะมดีกว่าวันใช่ไหมสว่างมากกว่าสว่างมากกว่านะอันนี้นะอันนี้ถ้าหมดเราก็หยู่ตรงที่นี้ไหวพระสมเด็จเจ้านั่งอยู่จะพระภาของพระองค์เพราัตนากตร์สมเด็จพระพูทมีพระท้าทเจ้า ว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรงเคราะและนำสั่งสอนบรรดาพุทธบริษัทให้รู้เท่าถึงความต่ามทางเป็นจริงสิ่งนี้องค์สมเด็จผู้มีพระพายเจ้าต้องการมิสุดอีปนิพันธ์ขอบรรดาขา้าพุทเจ้าจะหลายด้านนี้งนนะจงเป็นผู้เข้าถึงอรแสพุทธิปานในชาติปัจจุบันตายเมื่อไรเข้าไปิพในขันนั้น ตัวตัวเราใสดีไหมใสเชนใสเลยอ่ปราณีเก่งนะใเชิญใสวันหุกใสเนกยริงรงน่อยครับนี่ใสแวสว่างมากใช่ไสว่างมากทุกคนเรสว่างมากนะไอเด่นว่าสว่างๆนี่จะไปเทียบพระเจ้านนั้อย่าอย่าไปที่อย่าไปเทียบพระพุทธเจ้า เราไม่ต้องทำเหมือนแบบเพราะว่าสภาพของเรามันสภาพก็แค่หงายห้อยที่อยู่กับแสงอาทิตย์นะใช่จัหะหรือว่าเราก็สว่างของเราจะต้องสว่างกวานใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมใช่จังหวะ น, นี่การเห็นสภาพสว่างเห็นพระเจ้าทรงจังไสเอยเวลานี้พระเจ้าทรงแย้มพระโอรสหรเปล่าใช่จัะเห็นว่าถ้าแย้มตํางแต่เราขึ้นมาถึงถ้าแย้มก่อนนะถามีอยู่นานแล้วนะใช่จังหวะจไม่นะ ว่าการที่เราเห็นได้อย่างนี้ช่วย เ, เห็นพันดุกกำปนศิลาอาจ เ, เห็นเล็กๆเห็นใหญเห็นทัานผู้มีคุณเห็นพราราุทธลาภมีเห็นองค์สมเด็จพระจีนสีได้ส่งแยบโอษฐ์แล้ก็ทราบอย่างนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิจุติยาณนะเป็น น, น, นั้นว่าการเห็นทุกอย่างเขาเรียกว่าทิฏฐิจุตยญาณให้รู้นะเอาคามแค่นี้นะ ต่อไปก็เป็นจุดูปปาฏิยานสำหรับจุดูปปาริยานนี่ถ้าเราจะต้องการไปเรื่องนูบุคคลที่เขามีญาติที่เขามีชีวิตอยู่ก็ดีเขาตายไปแล้วก็ดีและก็เขามีญาติอยู่ถ้าบังเอินเราไปเห็นจิตอันหนึ่งที่เป็นจิตยิ่งเราเรียกที่ว่าลงาบายสุขอันนี้เราจะมีสุข แต่วันหน้าจะท่าำเองรู้ได้เนะถ้ารู้แล้วห้ามพูดนะที่ไปอยู่ปูป่ยายก็ดียานแปดยานทั้งหมดที่เรียนไปแล้วเนี่ยจงเรียนไม่เพื่อทีปรัชนาญยยาอย่าเรียนไม่เพื่อความเป็นที่คาคทอื่เขาใช้เพราะผู้ภาษาไทยชัดๆนะอย่าเป็นหมอดูใครก็มาถามว่ายายเขาตายแล้วไปไหนก็บอกถ่าเขาอย่ารู้ให้เขาปรึกษาหมอกันดู ถ้าเขาไม่ศึกษาเราก็จงอย่าบอกถ้าถามว่าทาไมไม่บอกเพกครูห้ามบอกหมดเรื่องแต่คืนบอกไม่ช่าก็เสือจุดเสือมันมีว่าถ้าเราบอกเขาได้ไม่ใชาความพนองถ้าความเร็วเข้ามาถึงใจเราก็เกิดความพนองาเราดีกว่าเขาเมื่อเรารู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเนี่ยเราคเ็เลินเลยไม่ใช่ความดรามาที่เรเกิด ดีไม่ดีถ้าบอกเขาบ่อยๆ อ, อย่างที่ผู้คุยงานท่านลุงอยากจะรู้สภาวะความเป็นไปของชีวิต้ของครอบครัวในเมื่อเราตอบคน ท, ที่ถูกใจเขาก็ให้เงินให้ทองอันนี้ไม่นชาจิตปกติราบถ้าจิตลาบราบมันก็เป็นเครื่องดึงคนทั่วลงอาบายกูฉะนั้นจงอย่าเป็นหมอหนูอยากอยากไปรู้ให้ใครทั้งหมด ถ้าเรารู้เรารู้ว่าเราคนเดียวก็วเขาอยากจะรู้เขาศึกษาเขาปฏิบัติถ้าเขาไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติยาไปอยากไปรับจะทําตนที่ที่ฆ่าเขาขอใช้ศัพท์วยาไปเป็นที่ฆ่าเขาเป็นฆ่าเขานะั่นดีอย่างดีต่อไปสนามมันจะเป็นที่ฆ่าอบัยวะปิอีกลงนรกไปเราเคยลงมาแล้วมันเลยมันเดนือยร้อน แล้วก็อนเราจะเกิดเป็นเปรตจะสุกกายเป็นสตีฐานต้องวนไปเย็นมามันหลายชาติเป็ น, นเลไม่เหลือเบื่อนั้นเส้นับบูตูประปาจิยานต่อไปก็อยากจะถามก็อยายไอ้ท่นถามเนี่ยไม่ใช่ถามแล้วตอบแต่ให้ทุกคนนึกถึงองค์สมเด็จพะสัมารถมพุทธเจ้าสิสวรรทับอยู่ที่ ขอบารมีพระพระองค์ช่วยที่ทําอย่างนี้นะเป็นการป้องกททันความพนองตงนนะหรือว่าอย่ารู้เองอ่เห็นเองถ้าต้องการรู้เองเห็นเองมอะไรไม่ใช่ภาษาจีวรกิรเราจะต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นอันการยึดพระพุทธเจ้าเมีประโยชน์มากนอกจากจะรู้ของจริงแล้วติดเราก็ไม่ห่างจากพระพุทธเจ้า ถายจิตเกาพระพุทธเจ้าอยู่เขาเรียกว่า พ, พุทธานุปปิกตุมาทานถ่ายแล้วไปไปไหนแล้วไปในถ่านเราเอาเขาสองทางนะเปนนอตอ น, นี้ไปในมรรคการองสมเด็จพระจอมไตรยสุขอและราทูนถามองสมเด็จพระจุวลวรว่าให้เจา้าตารสินเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่ดุสิตอยู่ดุสิตเลยเป็นตรงอ่ดส ตาลีลูกอยู่ที่ไหนเพื่ิฉีด้วมเออเวลานี้พี่จ่าจะฉีดเสด็จมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาเยี่ยนอยู่้านหน่ายยิ้มห้องเตียงมายักษนีวะเนี่ยเฒาแก่เนี่ไม่มีห้างเตียงนะพี่อยากลงไม้เจียงอ่ะท่านทำเป็นเป็นเซ็กไปรอเขาที่รอกกห้องเตียงก็ออกมาที่วันนีนไม่ที่มาเป็นที่ประบุใช่ไหม เป็นเทพประมุขที่จะเป็นรอดเด็กที่แน่มันเป็นเจ้าเป็นนายแล้วนะเอ่อเวลานี้ที่อยู่รู้สึกนะเอ้อดีมากแล้วเมลี่ที่มานี่สงสีอะไรนะดูดิตอนถามพุทธเจ้ายึดเริดมิพุทธเจ้าจะแท้กำนังใจเองสีขาวอ่าสีขาวใสใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถูกต้องอันนี้ถูกไม่ผิดสอบ ทุกคนทําใจตามนี้นะถ้าใครเห็นมันยังไม่เขาวต้องขัดกี่เท่เห็นมันสีใสให้ได้เห็นสีไม่ไม่เขาใสาก็แสดงกําลังใจยังอยากอยู่รวบรวมกาลังใจ ท, ทันทีว่าไอ้มนุษย์สัตวโลกคือว่าโลกของโลกนี้ฉันไม่ต้องการฉันต้องการมีาฟตัดชิ้นใจให้มันจริงใจแบบเรืทุกทุกอย่างแล้วอย่าลืมพระพุทธเจ้านะที่พระเจ้าไม่ได้ ต่อนนีท่านทรงเครื่องทรงสีใสมาต่อว่าอาจารย์ธมรู้เรืถามท่มานท่านก็ไลยถามตัวเขาถามเด็กๆถ้าเด็กเขาสอบเด็กตอนนี้ไปท่านนี้เป็นการเป็นตัวประพาติญญาเรารู้เรื่องของอืนนะ่นไหมรู้ว่าพระเจ้าตาสินเนี่ยตายไปแล้วจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นฤาษีจะลองถามพระเจ้าตาสินดิ ว่าคนนี้ถูกประหารทีวิต่เปียกพระเจ้าตอบสินะทำไมไปเกิดชัามรู้สึกโอเคท่านตอบไปไงสมบอกที่ประหารไม่ใช่ท่านไม่ใช่โอ้กล่าวโดยได้ฉัปรารนาพุทธภูมิไยจัดสรรรูปเราถ้าไม่ถูกประหารยอมลงถามท่านตอบถูกแล้วถูกต้ อ, องเพราะว่าถ้าไม่ปรารถนาพุทธภูมิ การนำกำลังทัพออกไปแค่ห้าร้อยคนพันป่าข้าสึกมันไปไม่ได้ถ้าพุทธคุณเขาทาได้แล้วไปรวบรวมลาลังคนไปก็ไม่มีคนไม่มีรอยไม่มีเงินแล้วต่อมารวมรวมลาลังคนได้แค่ห้าพันคนสามารถตีพระม้าข้าสึกตั้งเอกราชและชาติไยได้มันไม่มีที่ไหนถ้าไม่ใช่พุทธคุิมีสยัยนี้ยำรุง ถามพระในสมัยนั้นยมโูเกิดกับ่านหรือเลกาเกิดครับองสูนย์นนะเกิดนะเป็อะไรเป็นปอดขามาากับนเนอะไรนะเป็นปอด้ามาจากเมืองจีนส <c oughs> ะแปะเลยอาใช่แล้วแปะแล้ ว, วยลบโดเปล่าใช่ไห ค, ค, ครับปอดขาสับเผ่าแกเราสับเป่าอันี้เห็นอยู่แล้วจึงได้ถาม อันนี้ถ้ารู้เรื่องของเราดีนะมันเป็นบทพิณิวาสานุตยานนะถ้ารู้เรื่องของท่านว่าท่านตอบให้เราทราบว่าสมัยท่านคือเราเป็นพวกอาอันนี้ถกต้องเอเป็นพวกข้ A, าสมัยนั้นมาสดยาเอไหมเขาเรียก ล, อยยล่องยาใหญ่แบบเฮ้ยกล่องยาวๆกล่อ ง, องยาวาล่องยาวๆนี่ กลองมนกล้องยาถุงเนี่ยกล่องยายาไอกล่องงอก็มีก็ยาก็มีเพราะาสมาเนี่ยก็แท่งแต่เนาก็ใส้กท่งจริงไมีหย่อนนะไม่่ยกลองเลยอันนี้แต่ก็ทบควนไป่ถึงพมะเจ้าต่าสินแต่ถเจาทบทนรงเจ้าสินเนี่ยมันไม่มีมีใครนะแล้วก็ต่อมาแล้วก็ย้อนมาอีกนิดนึ่งว่าพระเจ้าจากสินหราชเนี่ย พระองค์จริงๆไม่ได้เคยเป็นเผ่าไปรธุ์กษัตริย์องค์ก่อนก็เป็นลูกเจ็ดพ่อค้าข้าวใช่ไหมจุกฬานีจุฬา<ช><ช>ลีใช่ไหมลูกใช่เป็นลูกเจ็ดพ่อค้าข้าวแตสมัยนี้เพื่อพ่อข้าลงสีแตสมัยลง ส, ส, สี น, นั่นลงสีไม่มีเป็นพ่อค้าข้าวจะก็ไม่เกิคนต่อไป แต่ก็อยากจะถามพ ร, ระเจ้าตากสินจะยึดบุญพระพจ้าก่อนนะให้พระเจ้าตากาสินทรงปรัสว่าพระอาศัยบุญบุ ร, รีอะไรของพระองค์ยังเป็นปัจจัยให้หนึ่งเป็นเครืการที่มีความสาคัญเช่นแข็งเป็นาหานเอกที่มีความสำคัญมากเป็นแม่ทัพหามแม่ทัพดินเก่งกล้าหาได้ยากเป็เสระพองและกับรายการที่สองเพราะบุญอะไรที่บรรดาลีองเป็นปรัก์ อันนี้คืูประพาติยานันเชิญถาม<น>ท่านว่าทำไมที่ในพระรการมีเป็นแนม่ทัพมีความกท้าสามารถมากทำบุญอะไรไวททร้ท่านจาสนาพุทธคูณและเลี้ยงคนมากแล้วก็เคยเป็นผู้ที่บำรุงศาสนาแล้วก็ผู้ชาติไทยมาหลายสมัยนั่นแหลระโอเคอารมความว่าหนึ่งแล้กหาวัตถุได้จัดกานให้ใช่ไหม ลองมีเมตตามีเมตตาบาลีคนที่จะมีบริวารมากต้องเป็นคนมีความเมตตาบาลีมากหน้าบริการที่สามมีรงใจเข้มแข็งตั้งใจจะพอพุทธภูมพุทธภูมิีความเข้มถูกต้องพระโพธิสัตว์บาีทูณถามทนีว่าการที่พระโอร์ทรงเป็นนาสัตว์ว่าอาศัยบุญอะไรบันดา ไม่ถือว่ดีเจ้าก่อนถ้าไม่ถือดีเจ้ากสีอิดเล็กไ้วยังไงตอบทันทีทาว่าเป็นพิษเขาไม่ใช่ตากแต่ไดรง้ามจิตสถพตนักกันไหวไหมไม่ไหวช่วยโยงกระได้ ไ, ไม่ด้ต้องรู้พมันด้ศีลไม่มเคยมาก่อนต้องทำอะไนีเ่นเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีคนมากมายท่านนั่งบ น, บนพิษบนแทนแล้วก็ท่านปกครองท่าน ให้ความีริทํารมผู้อื่นหมดแจกทรัพย์สินหมดมาจากใารดูที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที e ่ม <g ul> ีธมจันทร์อ <submarine> ย่างอ่อนเกิดเป็นสัตว์คนที่มีธมจันทร์อย่างกลางเกิดเป็นโยดาทุกคนคนที่มีธมจันทร์สูงสุดก็เป็นพระอรหันต์พระมานคว่าธมจันยร์นี้แบบตวพึ่งอย่างเดเสียดธมจันทร์ไม่ใชหมายความไม่ต้องมีหัวไม่มียนะ มีการระพฤก ษ, ษ์ระเสือดทรงมีจิตประกอบเพื่อนิยมเมตตาเข้าสู่เป็นไม้มี ต, ต้นไม้ ม, ม, ม, ม, มีต้นไม้มีผลมากก็แสดงมีความขยายแขแมีความใส่ร้ายหาทรัพย์สินมันได้มากแล้วก็ไม่ยอมมีความสุขเพีคเดียวแยากจสงเค้าอหนทีนนากจนละร้เสียงในชะ่ไหอย่างนี้ก็จะประกอบหนึ่งนจิตเมตตาความรักสองคนนาความสงสา สามโมุะตายมีจิตอ่อนโยนอิจฉาปฏิยาจะนึกว่าไอ้เขาไม่ทำจรอง่างจรินไม่มีฐ า, าแบบนี้อุเบกขาไม่ได้สิ่งเตือนเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวการใช่มันเราสงอัยเขามีความสุขใจพะรักะนีะ่เข้ามใช่ใช่ไหเป็นน้วว่าพ ม, มีหานสี่ทรงตัวนะและ้วทำไมจุดหนึ่งคุณามันไม่ม้เป็นจุรูปบาตรยานนะดูตัวบาตรยานเนละม่ได้เ น, นี่ยเพราป็น จ, จุรตรยาน ม่จุดหนึ่งที่พระองค์ทรงจะต้องศ ร, รัทธาได้สมบัติรายการขลาได้สมบัติของพระองค์เนี่ยไม่เหมือคนดีเมืองก็ลาออกถ้นี้ออกก็โยมบายไหว้ผูกสหารชีวิตหนึ่งทำเป็นบ้าใช้ก่อยนี้และหนึ่งพาด้การที่หนึ่งจพยอดฟ้าจุลาโลกรายการนี้สองออกลาว่าถูกประหารชีวิตแต่คนนวม า, า, ม า, า, ามจรีงพระองออค์สุประหารเป็นจนวไม่ถึงประหรพระองค์แต่ กายในสามทรงศรัลราชสมบัติแล้วก็ไปโกรธเป็นพระจีงจางอยู่ที่นครศรีธรรมราชอันนี้อยากจะทราบว่าเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยที่องค์ทรงศระราชสมบัิท่านเชิญถามท่ารท่านเป็นนี่เจ็กมาเป็นนี่เจ็กมาครับไอ้เป็นนี่เจ็กมาว่าตระลาออกอะไรทั้งกรรมเก่ากรรมเก่าอาจจะเข้ามากรรมร่นแรงเลยเสมอไป อาจจะเป็นกรรมดีแะเราะนั้นความกรรมดีจะมีความเด็ดขาดอันนี้เรียกว่ากรรมชัว่วเราถามืองโป ร, ร, ร่ง3ามท่านทำ ไ, ไหมเล่าท่านทำให้เห็นท่านเอาเงินจากคนหนึ่งไปให้อีกคนนะครับแล้วท่านทำไม่ได้ใช้เขาอ๋อแต่บอกว่ามีกรรมนิดหนึงใช่ไหมใช่ถูกต้อง เรียกว่าการเงินใจอีกคนหนึ่งจะให้คนหนึ่งเป็นในหน้าผูดดีเขาใช่ไหมทีม่ไม่ใช่เนี่ยโกงหว่าตายซะก่อนฉันตายซะก่อนตายซะก่อนต้องไม่ใช่โก้ไอ้กรรมนิดเดียวเท่า น, นี้เป็นเหตุที่องค์ศาลาได้สมบัติใช่ไหมแล้วการสลาได้สมบัติก็ไม่เสียผล ในตอนนั้นอสระได้สมบัติแล้วก็ยังมีบทพระอสระก็ํารมาษาเกิดเป็นการหลอกกันพวก็นเรื่องการเมืองนี่ที่เรารู้แบบนี้ต้องการเป็นจุตูปปาติยานยไม่ตอ้องเอียดออนนะแ่ละนูนศาสตร์ว่าจุตูปปาติยานยเราสามารถจะรู้เรื่องการเกิดและการตายทุกคน คันที่เขเกิดเป็นและเกิดวันก่อนจะมาก่อนจะเกิดมามาจากไหนตายไปได้ไปไหนที่ น, นี่คืสุตูปปาติยานแต่วันนี้ถ้าอะไรจะไปถามก็พบกระทั่งกับบุคคลทั้งหลายที่เขานม่ย่าดอยกันไม่ได้อันตรายดังนี้นสำหรับสุตูปปาติยานให้มันเป็นประโยชน์ก็สําหรับพระเจ้าตากสิงคนดีแร้พุทธยอดฟ้าจุฬาโล ก, กดีนวัฒนาธรรเชนทั้งมเลย แล้วก็เจ้าพญาสุรศีก็ดีพระวังาบางบวรพระเจ้าลางกำแพงก็ดีหรือว่าสมเด็จพระเรศวมหาราชก็ดีทั้งหมดนี้อ่ตกจะรับก็ตกไม่ตกใช่ไมไม่ตกนถ้าไม่ตกดูที่ว่า พระพุทธยอด้าพระเจ้าตาสินพระะเลสดมหาราชพระเจ้าดังกมแห่งอันนี้แก่มสาค่ายคนนะค่ายคนใชหมไปดถ้าเท่ากันแนะแน่ไปดูเจ้าพญาสุรสีคุณจำได้แค่จังหวัางบวเลยกึ้นวาใช่ชวาชวายางสุรศรีก องอื่นตรงสีขาวแต่อ ง, องหลังมีสีดแดงสีดแดงอันเลสวนสีดแดงในพระเลสุนสน่พระเลสนถ้า ม, มาเป็นมตราพระจะมาสีดแดงตาหน้าให่ตามใ่แต่ไม้มาในสภาพการรบ แต่ามาในผ้าคือบรรดาที่ตสวยตางนี้ดีกว่าถามว่าทุกองค์นี้เป็นรบริษัทเหมือนกันหรือเป่าใช่ใช่ใชอะไร น, นั้นกูชาตัเนเดอร์ไ่ได้แล้เจมลินทุกองค์นี้ท่านเป็นรบริษัทอะไรนก็ขอให้ทุกองค์ตรงเครื่องของพระบริษัท ต, ตามกําลังบา ร, รมีของท่านให้เต็ม อ, ตอตมัตราออหนึ่งต่างความหมายว่าสว่างไสวขนาดไห สงสังนนยทำอะไรใชว่สาสวัยน่าจเขาใสในตัวช่วยที่ตัวชใส่เพรางูกเราเรื่อูกจะปฏนะิญาณนนี่เราถอยหลังเรื่องคนอื่นเดินหน้าของคนอื่ น, จจนมันเป็นเองปูกปาิญาณจะว่ า, าเดินหน้ากันอนาเขาทำปฏิญาณนนะต่อไปนี้ว่าคืนนี้เราฝึกดกนนด้านปุกพีาสัสอย่างนี้แล้วก็ไปใช้รายละเอียดนะ เราอยากจะรู้เลยวองใครคนนี้เกิดมันมีชีวิตแล้วถ้าคนนี้มีชีวิตแล้วมันก็มีญาติเหรอถ้ารู้แล้วอย่าพูดนะท่านตราย์รูกระ้ยิ่งขึ้นคนนี้ตายไปปุ๊บเราอยากจะรู้มารู้ทันทีวันนรงนรกไปแน่คุณไหนแต่ใครเข้มาทางคนนี้ไปไหนบอกว่ฉันไม่ได้ติดตามความดีความช่วยคนนี้เขาทําดีเขาทำช่วยยังไงฉันไม่ทราบรู้ก็ได้ตัดไปเลย อย่าไปรู้อยากไปเห็นเข้าอันตรายมันจะมาถ้าเราไปชมคนที่เกิดเป็นอยู่เขาเกิดเราเอายกย่องตนงนี้ที่เขาไม่ถูกใจถ้าเราไปตหนิคนเขารับเขาก็จะหาเขาจะไปสัตว์กับเราอย่ารู้มาสนุกทุกคนอยู่ไนหะเงียบกับนี่คือไม่รู้เข้าไม่นะท่เาเราติดใจเสียอมถ้วต่อไปก็เป็นเจตุกุฎิย า, ยาน เจตุริยายานี่าณอันนี้นนเรีกว่ารู้วาระน้ำจิตของคนอื่นแต่ว่าการฝึกเจโตุริญญาณ น, นี่ต้องทุกวันต้องรู้ใจของเราเองตื่นมาพับจิตจับใจของเราดูว่ากระแสจิตของเราเป็สีอะไรจิตจริงๆมีหกสีแต่ว่าไปนิดๆขอย่อเอาไว้ให้เหลือสามสีเพื่อจาง่าย ถ้าจิตมีสีแดงก็เป็นจิตที่มีปีติคือยินดียกอิ่มใจแดงมากยินดีมากแดงน้อยยินดีน้อยแดงกลางกลางมีไฟกลางถ้าจิตมีสีดำดำมากก็กระสุ่มมากมีทุกมากแดํดำน้อยก็มีทุกน้อยมัวมัวก็มีเรื่มทุกหน่อยหน่อยมีความบันบก็จิดถ้าจิตขาว ต้องแสดงว่าจิตมม่ลงเลขาแต่เลขาไม่จะดีนะถ้าขาวแล้วก็ใสไม่แก้วขัดแล้วอันนี้จิตเป็นจิตขั้วทางสีเป็นงจำไม่ดีนะถ้าหากว่าจิตแค่ใสไมนก็แก้วที่ขัดแล้วไม่มีลสกีออกเป็นจิตขั้วทางสีถ้าเป็จิตของชาวบ้านธรรมดาถ้าเราไปพัฒนาจิบายนะครับไม่กี่ขั้วขาวเฉยๆขาวเฉยๆเป็นจิตก็้วโภชน อ้าขาวแล้วก็ใสเป็นแก้วเป็นจิตของกัลยาในทรงผู้ทรงทานท่านี้ต่อนี้ไปก็ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระพิจมานได้ทรงโปรโดช่วยทรงช่วยนิรมิตรตไม่ใช่เป็นดวงไม่ใช่เป็นดวงประลงนะจิตอันดับแรกเป็นจิตผู้พทุกคนคนที่หนาแน่งไม่ได้กินเลย อ, อ๋อสมเด็จพระกรมน โ, โลกเผยเถิดให้ข้าพุทธเจ้าทั้งหมดเห็นสภาพตามความเป็นพียงของคนที่มีกิเลสจะใสสีของจิตเป็นยังไงเขาสมเด็ดจจะจำใจทาให้เห็นได้ชัดเจนอย่มงสฉันต้องจํ่ า, าเป็นยังไงอย่างัวเป็คนธรรมดาเปนธรรดาดิขาเป็นสีขาวดาอันนี้หมายความคนหาม่มีกิเลสเอาจิตเลย เป็นสีดำไปเลยเป็นสีเทาไปจนดำจิตเลวเรยยจะอ่ิบายความจะต้องเป็นการใช่ใจถ้าจิตเลวพวกคนที่หนาไม่กิเลสมันเป็นก้อนเนื้อใช่ไหมีสภาพเป็นก้อนเนื้อใช่ไนาทึบนะไม่มีเรื่องไม่มีใสไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเป็นแมกกาซีนใช่ค่ะใช่ไอ้เชนใช่ไใช่ ดูดูหนาทึบมันก็ก้อนเนื้อหรือมันก็นนก้อนดินอย่างนีนใ้ใไหมมันไม่มีจุดสุดรงนะนี่เป็นจิตของคนถ้าเห็นจิตแบบนี้แล้วก็จิตวงหัวไว้ได้เลยตายภาตนี้มันไปสวรรค์ไม่ได้เลยเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้จำไหมจิตที่หนาแน่นลึกลึกนะอย่าลืมนะว่าอันนี้สาหรับเราจะได้เป็นตุวผู้วาติยาด้วย จะเห็นหน้าจิตเห็นหน้าพับดูชื่อพับดูจิตพับดูทางจิตจิตเป็นสีนแดงก็ดีจิตเป็นสีขาวก็ดีจิตเป็นสีดำก็ดีถ้ามันเป็นเลือดิปนก้อนทึบนะถ้าลงไปก้อนทึกแล้ปคนพวกนี้วงเล็บไปเลยว่าเขาลงอวัยวะตุ่นแนกาแก้ไม่ออกแก้ไม่ขึ้นเลยมันหนาได้เปินคุณชมเล่าหนาหนาแน่ไม่เกลก่ พวกนี้เมียรมอย่างเดียวทำชั่วอย่างเดียวรวมความดีไม่ใหญ่ใจต่อนนี้ไปจะขอวัร ม, มีพระองค์สมเร็จพระจอมไปขอพระองค์ยังชมโปรดให้ข้าพระเจ้าได้เห็นการแสจิตของบุคคลผู้ทองศีลบริสุทอันเชิญคืขอขอ้าเป็นตกาจ สีขาวจก็ยังรู้สึกเป็นปแบบหนาเหมือนกับลูกอะไรสีฟองอะไรใช่ ม, ชชมไมมันก็มีส่วนหนาที่แต่ขาวเหมือนกับว่ยกลมๆอะไรมีทาสีขาวใช่ไหมใช่แล้วไงแต่จะมีมันๆด้วยถ้าต้องมีมันดิต้องมีสีนิต้ก็มีมันดิตองมีขาแต่ว่ามันไม่มองกลรงไม่ใช่แก้วเจ้าค่ะค <ผม S 1> ือมมไม่เป็นแก้วเห็นไหมเ้ค่ะเออถูกต้อง รบลวเห็นเหมืกันนีเาเรยไม่ใช่ก้วใช่พุทธลังพานะกานีเห็นเหมือนกันไมเหมือนกันใช่มเดีแ่หน้าที่วี่สี่ตอนที่ไปขอทุกคนขอพัฒนาบารมีขระองค์สมเด็จตัสมาสมุทัยขอดูกันแสจิตของคนที่มีกำลังใจเข้าถึงอุปจารสมาธิพระองค์สมเด็ ต่างใจไว้ก่อนนะครับระับขัเท่าไหร